ให้พวกเราสํานึกไปอยู่เสมอว่าพาระพุทธศาสนานสอนให้ระลึกถึงบุญคุณของบิดามารดานั้นมาในอันดับหนึ่งการที่พวกเราจะทําสิ่งใดก็าตามคิดถึงคุณบิดาคือพ่อมารดาคือแม่ของเราไว้อยู่ในใจเสมอจุดมุ่งหมายของท่านนั้นไม่ใช่ธรรมดาท่านมีจุดมุ่งหมายสูงมากสำหรับบุตรธิดาของท่านถ้าว่าพวกเราเป็นคนดีก้าวหน้า เป็นที่ยอมรับของชุมชนสังคมต่อโลกพ่อแม่ของเราก็คงจะภาคภูมิใจอย่างมากแต่ถ้าว่าพวกเราออกไปแล้วทำตนไม่ดีมีตะตกต่าเป็นที่ลังเกียดเดียดสันขคงชุมชนและสังคมพ่อแม่ของเราก็คงจะเสียใจแต่ถ้าว่าพวกเราออกไปแล้วทำตนให้เป็นคนดีอย่างศีรษะถึงจะหักล้างหักใจพ่อแม่ถึงขนาดไหนก็ตามแต่ว่าเราออกไปแล้ว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 ของบุตรธิดาพ่อแม่เลี้ยงเรามาแล้วก็ให้ความรู้สอนหมดทุกอย่างก็ววเป็นอาจารย์คนแรกอาบน้ำอย่างนี้นะลูกนะกินข้าวอย่างนี้นะลูกนะนอนอย่างนี้นะลูกนะผมผ้าอย่างนี้นะลูกนะอันนั้นร้อนนะอันนี้หนาวนะเอออันนั้นอันตรายนะลูกนะที่พวกเราพ่อแม่เห็นเขาสอนเด็กนั่นแหละเราก็ไม่แพ้กัน อย่างนั้นทั้งหมดทุกอย่างเพราะนั้นท่านยังว่าพ่อแม่เป็นบุพก า, ารย์เป็นอาจารย์คนแรกที่สอนบุตรธิดาจากนั้นเมื่อพอที่จะเข้าโรงรําโรงเรียนได้ท่านก็ไปฝากไว้กับผูรักษาแพงขนาดไหนโรงเรียน เ, เก็บค่าเทอมค่าเรียนแพงขนาดไหนก็อยากจะให้ลูกตนเองเข้าไปศึกษาเข้าไปเรียนในโรงเรียนนั้นๆไม่ได้คิดว่า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 เป็นผู้มีบุญคุณกับเราพ่อแม่เป็นพรมของบุตรคือมีพร ม, มวิหารพร ม, มวิหารคือว่ามีเมตตามีกรุณามุทิตากับบุตรทิดามีเมตตาอยู่ตลอดรักเมตตาอยู่ตลอดกับบุตรของตนกรุณาก็คือความสงสารอยากจะให้ลูกตัวเองเป็นคนดีก้าวหน้าในหน้าที่การงานพ่อแม่มีแต่คิดอยู่เสมอ มุทิตายินดเีเมื่อลูกตัวเองได้ดีมุทิตาเมตตากรุณามุทิตาแต่ว่าอุเปกขาคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายเมื่อลูกถึงค่าววิบัตินั้นอันนี้พ่อแม่คงจะไม่มีในจิตใจให้เขาว่าทําใจไม่ได้เพราะงั้นแต่อุเปกขานี่ไม่ค่อยมันจะไม่ใช้เลยกับบุตรทีดาของตนเองมีแต่เมตตากรุณามุทิตาเต็มหัวใจของพ่อของแม่เพราะนั้น พวกเราที่เป็นลูกนะให้คิดไปอยู่เสมอว่าพ่อแม่เป็นผู้มีบุญคุณสาหรับเราถ้าว่าเราเนรคุณหรือว่าเราไม่รู้จักบุญคุณของพ่อแม่อันนั้นในหลักของพุทธศาสน า, าจักรวัดจัดว่าเป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนที่ว่ า, าไม่รู้จักบุญคุณของพ่อแม่แล้วจะรู้จักบุญคุณกับของอย่างอื่นกับท่านผู้อื่นนั้นเป็นไปได้ยาก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 แนะนำดีให้เรียนศิลปะส่งเสริมให้การเรียนการศึกษาแล้วก็เมื่อพอเหมาะที่จะเป็นไปได้ก็ให้หาภรรยาที่สมควรให้แล้วก็มอบทรัพย์ให้ในสมัยอันนี้ก็คือหน้าที่ของพ่อแม่ออมอบทรัพย์ให้ในสมัยคือเมื่อท่านเฒ่าแก่ชราแล้วท่านก็บอกเออลูก เราเอ้ยพ่อแม่มีทรัพย์สมบัติเท่านั้นเท่านี้นะก็แบ่งให้มอบทรัพย์ให้ในสมัยอันนี้ก็คือพ่อแม่ที่พวกเราท่านทั้งหลายที่เคยเห็นแบ่งมรดกกันแต่โดยมากพอบางคนบางสกุลพอแบ่งมรดกให้ก็ไม่ลงกันเลยไม่ลงรอยกันคนนั้นก็อยากจะได้มากคนนี้ก็อยากจะได้อย่างนั้นคนนี้ทั้งที่มีชิ้นเดียว ที่พ่อแม่จะแบง่งให้ผลที่สุดตัวเองพอได้มาแล้วไม่ใช่จะเลี้ยงตัวเองเท่านั้นนะอยากจะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานของตนเองไปอีกบางทีไปแต่งงานมาแล้วมีลูกขึ้นมาอยากจะเอามรดกของพ่อแม่ให้ลูกตัวเองให้หลานตัวเองอีกอันนี้สิ่งเหล่านี้พวกเราก็ควรจะคิดเหมือนกันที่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาท่านเลี้ยงดูเราเรามีความสุข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 อันนี้ผมว่าเนี่ยไม่ถูกต้องในเมื่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วเรียนจบแล้วมีหน้าที่การงานทำแล้วเราก็น่าจะเพียงพออย่าให้ท่านหนักใจกับเราอันนี้ก็คือบิดามมนดาพระนวพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกอันนี้ก็ท่านก็เปรียบเทียบอีกพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกคือถ้าว่าใครก็ตาม ดูถูกเหยียดหยั้พ่อแม่คุณนั้นจะบาปหนักท่านว่าเปรียบเทียบเหมือนพระอรหันต์ทำไมท่านจึงเปรียบเทียบอย่างนั้นนัว่าในหลักของพระพุทธศาสนาท่น า, นานบอกว่าอนันตริยกรรมห้าอย่างมาตุคาตฆ่ามารดาปิตุคาตฆ่าบิดาอารหันต์ะคาตฆ่าพระอรหันต์โลหิตตุบาททาร้ายพระพุทธเจ้าอย่างพระโลหิตให้หอก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 สบาย อ, อกสบายใจเรื่องหาความเจริญรุ่งเรืองในจิตในใจนั้นอยากถึงจะรุ่งเรืองข้างนอกมองดูคนเห็นทั้งหลายก็เยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะเออมีความสุขแต่ส่วนลึกของหัวใจนั้นหาความสุขไม่ได้เหตุเพรา ะ, ะนั้นพวกเราทุกๆท่านที่ได้ฟังได้ศึกษาในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้มองข้ามพระคุณของบิดามารดา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 พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเกิดพบใดชาติใดท่านจะไม่มองข้ามพระคุณของบิดามดารดาพระในครั้งพระพุทธเจ้าลาบวชขอพ่อแม่บวชพอบวชเข้าไปแล้วพ่อแม่ตกทุกข์ได้ยากเพราะไม่มีผู้รับวรวรดกไม่มีลูกชายรับวรวรดกเลี้ยงดูด้วยว่าทํากิจการดูแลกิจการของพ่อแม่พ่อแม่ตกทุกข์ได้ยาก ท่านกลับหวนกลับมามาเห็นพ่อแม่ตกทุกข์ยากท่านรับพ่อแม่มาเลี้ยงดูเลี้ยงดูท่านไปบินธ บ, บาตมาท่านให้พ่อแม่ทานก่อนออมาบินธ บ, บาตมาถึงให้พ่อแม่ทานก่อนท่านยังไม่ทานให้พ่อแม่ทานก่อนพ่อแม่ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านยค่อยฉันอาหารเพราะท่านเป็นลูกชายนี่แหละท่านเลี้ยงดูพ่อแม่ถึงขนาดนั้น เมื่อรับทายทานมาไปทับทายทานมาได้ผ้ามาก็ไม่ทําลายให้สีเสียแต่ว่าสีเหลืองก็มาซักมังฟอกแล้วเอาสีดงสีดําขยําเข้าไปให้มันเป็นสีดําก็ให้พ่อแม่นุ่งอ่ทีนี้พระสงฆ์ทั้งหลายก็เห็นว่พระองค์เนี้บวชมาแล้วยังเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไปบินถบาทมาให้พ่อแม่กินก่อนและได้ของอะไรมาก็ให้พ่อแม่ทําอย่างนี้ก็ทําให้บวชมาเพื่อเลี้ยงเลี้ยงพ่อแม่ ทำไมไม่ศึกไปจะดีกว่าทําไมถึงทําให้ศาสนาของพระพุทธเจา้าเสื่อมเสียพระสงฆ์ก็ไปกราบทูลพระพุทธเจา้ากราบเรียนพระพุทธเจา้าคือฟ้องนะตรงั้นะไปฟ้องพระพุทธเจา้าพระพุทธองค์ก็เรียกพระองค์นั้นมาทําไมท่านได้ทาอย่างที่พระสงฆ์เมาฟ้องท่านท่านเป็นผู้เลี้ยงมารดาอย่างอย่างที่เขาฟ้องใช่ไหมท่านองค์นั้นท่านก็ ไม่หลบไม่เลี่ยงเพราองั้นะท่านก็ได้เลี้ยงจริงๆทำไมพระองค์ก็ต้องมีเหตุผลทำไมพระองค์นั้นก็บอกว่าก่อนหน้านี้กระผมเป็นลูกชายของท่านคนเดียวท่านก็ไม่อยากจะให้บวชแต่ข้าพระองค์อยากจะบวชในพุทธศาสนาอย่างมากเพราะนั้นข้าพระองค์จึงลาท่านไปบวชเมื่อลาท่านไปบวชแล้วท่านก็ดาเนินกิจการผิดพลาดก็ทาให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 เอาสีอะไรย้อมมาเป็นสีดําขึ้นมาพ่อให้พ่อแม่ได้ใช้เนี่ยข้าพระองค์ก็ได้ปฏิบัติอย่างนี้เพราะว่าข้าพระองค์ได้บวชไปพ่อแม่ก็ได้ตกทุกข์รยากอย่างนี้ประเจ้าค่ะพระพุทธองค์ทั้งที่ท่านจะตาหนิท่านบอกว่าซาทุซาทุเห็นด้วยนี่แหละเป็นพระที่ดีเป็นพระที่ดี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 ต่อไปภายภาคหน้าลูกของเราก็ระลึกถึงบุญคุณของเราเอีกมันเป็นการสืบทอดเป็นการมุนนาวัตตีโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทําไว้แต่ถ้าว่าพวกเราดูถูกเบียดยามพ่อแม่เอาแต่ใจตัวเองทําอะไรก็ฝืนใจพ่อแม่พ่อแม่ก็มีแต่ร้องหย่ร้องไห้กับเราในเมื่อเรามีลูกขึ้นมานั่นแหละเขาก็จะไปตามที่ ที่เหมือนกับตัวเองได้ทํากับพ่อแม่เนี่ยโบราณกันว่าลูกตูมลูกตาลหล่นไม่ไกลต้นค่ า, าว่าพอเราทํำยังไงลูกของเราหรือผู้เกี่ยวข้องกับเราก็จะทําอย่า ง, งานั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่เข้ามาศึกษาในพระพุทธศาสนาแะก็พร้อมกันก็ให้สังสมคุณงามความดีอย่าไปทําสิ่งที่ไม่เหมาะสมที่ไม่ถูกต้อง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 มันก็อยู่กับตัวของเราทั้งนั้นถ้าว่าเราทำตัวไม่ถูกแล้วจะหาความเจริญรุ่งเรืองได้ยากถึงใครจะช่วยหรื อ, อยังไงตัวเองก็ไม่รู้จักช่วยตนเองแล้วจะหาความร่ำรวยหาความสงบร่มเย็นเป็นสุกระยากอย่างในชาดกที่พระพุทธเจ้าปารุหลานของอนาถาบิดิกะเศรษฐีอนาถาบิดิกาเศรษฐีเนี่ยเป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธเจา้า เป็นผู้อุปถามทุกอย่างคือสร้างวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารที่กรุงสาวัตถีนั่นก็คืออนาถามมติกะเศรษฐีเนี่ยเป็นผู้สร้างถวายพระสงฆ์และก็พระพุทธเจ้าจําพรรษานานที่สุดก็คือที่วัดป่าเชตะวันแห่งนี้จำพรรษาอยู่หลายปีหลายกว่าวัดอื่นๆเมื่อแต่ว่าตระกูลของอนาถาเมติกะนี่แต่เป็นตระกูลเศรษฐีร่ารวยแบ่งทรัพย์สมบัติกัน แต่หลานของท่านคนหนึ่งอที่ได้รับมรดกจากพ่อแม่ของเขาเป็นคนรวยแต่ผลที่สุดท่านลุงทรัพย์สมบัติทั้งสี่สิบกว่าโกดนั้นนะย่อยยับตัวเองยังไม่ตายอยู่เหมือนกันย่อยยับไปต่อหน้าต่อตาอนาถาเป็นตีเกิดไม่รู้จะทํำยังไงที่เป็นลุงผลที่สุดก็เลยหมดทรัพสมบัติแล้วทีนี้ก็มาขอจากอนาถาเป็นตีนาธานทีก็ให้ พอให้ไปเสร็จแล้วมาขออีกอท่านก็ให้มาขออีกอ้าวมันทำไมมันขอบ่อยนักผลที่สุกก็เลยกนาถาไม่ดีก็เลยให้บริวารนะใส่คือคาใส่คอนะลากออกไปข้างนอกอย่าเข้ามาอีกหน้าบันถ้าเข้าไมา่ไปนี้จะใส่คือคาอีกพราะงัน้นก็กลัวอะไนี่ถ้าแกก็เลยชัดเซพนเนจรหาอยู่หากินตามภสษีภาษาผลที่สุกก็เลยตาย พอตายเสร็จแล้วเขาก็เลยเอาสมัยนั้นใครตายเนี่ยเขาก็เอาเอาหอหอเอากระสอบอะไรห่อหอเสร็จแล้วเขาไปโยนทิ้งป่าช้าอันนั้นคือป่าช้าผีดิบมันกันเลยไปโยนป่าช้าพอตายแล้วก็เป็นอาหารหมาจอกหมาในอีกาอีแรงเลยกินไปตามปลาสีปลาสามะเรงงงแมลงวันนอนพนเนี่ยตอนนี้อนาถาไม่ดีกะเศรษฐีก็เลยเข้ามากราบพระพุทธเจ้า บอกว่าโอ้หลานข้าพระองค์พึ่งเสียไปตอก่อนพ่อแม่ของเขาก็ล่ำรวยที่เป็นญาติกันมีทรัพย์ทั้งสี่สิบกว่าโกด4สี่สิบห้าโกดโกดนั่นกับสิบล้านเขาแล้วออกมาถลงจะเขายังไม่ถึงไหนก็หมดโดยเฉพาะยังยิ่งสุราณนาลีสุราณนาลีเนี่ยแล้วกับการพนันทุกอย่างเขาทำให้เขาหมดทรัพย์สมบัติ พุทธิสุขก็เลยมาขอข้าพระองค์ข้าพระองค์ก็ได้เลี้ยงไม่ไหวไนงะจนได้ทําจัดการอย่างนั้นเพราะเลี้ยงไม่ไหวนะพระพุทธเจ้าบอกว่าคนชั่วเนะี่ยถึงยังไงก็เลี้ยงเลี้ยงไม่ไดนะ้เราเคยเลี้ยงมาแล้วอนาถาม่ดีกเศรษฐีก็เลยถากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์เลี้ยงมาสมัยไหนพระเจ้าข่าวพระพองค์วันในอดีตชาติ อดีตชาติตกรเราเป็นเศรษฐีใหญ่ในยุคหนึ่งในกรุงพาราณสีเราเป็นเศรษฐีใหญ่เราทาบุญทาทานทาบุญทาทานใหญ่โตคำว่าคนมาในทิศ ท, ทั้งสี่เพราะว่าเรามีโรงทานเลี้ยงคนตลอดจิตใจของเรากว้างขวางทรัพย์สมบัติของเราก็ได้มาโดยเป็นธรรมเราก็แจกเรามีลูกชายอยู่คนหนึ่ง พอจากนั้นมาเราก็เลยตายตายจากเศรษฐีนั้นขึ้นไปเกิดเป็นพระอินทร์อยู่ชั้นดาวดึงอพอไปเกิดชั้นดาวดึงแล้วทรัพย์สมบัตินั้นก็เป็นของลูกชายของเราลูกชายของเราทีนี้ไม่ปฏิบัติตามประเพณีของพ่อแวกแนวของการลูกชายแวกแนวทั้งกินเหล้าทั้งเมายาสุรานาลาีการพนงการพานันเอาเงินถลุงออกมาจาก ครั้งที่เก็บเอาไว้ผลที่สุดตัวเองยังไม่ตายหมดทรัพสมบัติพอหมดแล้วขายกินหมดเลพอขายกินหมดแล้วกินเหล้าเมายาท่างพ่อเนี่ยครับมองเห็นอยู่เป็นพระอินทร์อยู่บนสวรรค์เห็นกันเลยโอ้ตายเราก็ได้ดีได้ดีถึงขนาดนี้ลูกของเราแท้ๆเราควรจะไปสงเคราะห์ลูกของเราจากนั้นท่านก็นลงมาจากสวรรค์ พ่อแม่รักลูกถึงจะเป็นเทวดาแล้วก็ยังยังห่วงอะไรในลูกของตนเองอยู่ท่านก็ลงมาท่านก็ถือหม้อลงมาใบหนึ่งท่านก็เรียกเข้ามาเข้ามานี่บุตรสุดยอดที่รักของพ่อท่านพูดแบบภาษาที่ว่าสุดๆเลยว่างั้นเถอะบุตรยอดที่รักของพ่อนะแค่ว่ายังรักลูกอยู่ว่างั้นเถอะเอานะลูกนะอย่าไปทาตนไม่ดีนะพ่อจะให้หม้อ แก่เจ้าหม้อนี้เป็นหม้อสารพัดนึกถ้าเจ้าตกทุกข์อยากจะได้เงินเข้ามาเมื่อไหร่ให้เจ้าล้วงมือลงไปในหม้อนี้หม้อนี้จะเลี้ยงเจ้าตลอดไปเจ้าอยากจะเป็นเศรษฐีเรากเจ้าล้วงลงไปเออล้วงลงไปเอาเงินขึ้นมาเอามาใช้จ่ายาไม่มีไม่มีอดไม่มีอยากพ่อจะให้หม้อใบนี้แก่เจ้าฉะนั้นไอ ลูกชายเศรษฐีทุกทายขี้เหล้าคะนนั้นก่พอได้ม อ, อขึ้นมาแลยก่อนล้วงเงินลงไปในหม อ, อกขอเข้ามาทีแรกก็เป็นคนดีเพราะว่ามันทุกมาพแรงนล้วเนี่ยทุกมาจนพอแรนะ้วแต่นี้พอได้หมออนั้นคือมาก็ตั้งตนเป็นคนดีขึ้นมาในระดับหนึ่งก่อนเลี้ยงแล้วก็ทํากิจการขึ้นมาก็ร่ํารวยมาเพราะมันล้วงเข้ามาก็เป็นเงินออกมาทั้งนั้นก็จะเป็นเศรษฐีขึ้นมาในระดับหนึ่งวนะ พราะนิสัยตั้งเดิมมันยังมีเป็นสันดอนสันดานอยู่ในหัวใจเท่นี่ถึงจะล้วงออกมาได้แล้วต่อมากับมันกลับตนไม่ได้กลับตนให้เป็นคนดีไม่ได้ผลที่สุดนิดสัยเก่านิสัยสันดอนสันดานเก่านะเข้ามาอีกเท่นี่พอเข้ามาอีกท่นี่ก็กินเหล้าเมายาพราะตัวเองรวยขึ้นมาแล้วเนะมันก็ไปอีกอีหลอบเก่าอ่า ง, งั้นแหละผลที่สุดพอกินเหล้าเมาแล้วก็ โยนหม้อเล่นแหละบา อ, อพวกคนกินเหล้านะั้นมันไม่รู้จักอะไรนะเลย อ, อันไหนที่เสียหายไม่เสียหายไม่รู้เพราะมันเมาเหล้าแล้วคนที่สุดก็โยนไปโยนมาโยนหมอ้มอหม้อก็เลยพลัดตกลงมาหม้อแตกทีนี้ออพอหม้อแตกตอนนี้ไม่รู้จะล้วงเอาที่ไหนพระหม้อมันแตกแล้วกระจายไปแล้วคนที่สุดอัะไรตะแก่ ก, แก็เลยได้ทุกยากลําบากอีกอย่างเก่าเออนี่แหละอันนี้แปลว่า คนชั่วนี่ยถึงจะเลี้ยงยังไงมันก็เป็นคนดีไม่ได้เพราะมันเป็นสันดอนสันดานมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกเพราะฉะนั้นพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วให้สํานึกตรวจตราดูตนเองเสมอว่าข้าพเจ้าถึงยังไงข้าพเจ้าต้องเป็นคนดีของวงศสกุลของประเทศชาติบ้านเมืองเราไปอยู่น่าสถานที่ใดเราจะไม่ให้ใครหนักใจเราจะดารงตนเราจะเก็บหอมลอมลิบในทรัพย์สมบัติที่เรา นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเพราะข้าพเจ้าจะไม่ทําให้ใครญาติพี่น้องพ่อแม่วงสกุลเเราไปอยู่ในสถานที่ใดจะไม่ให้ใครหนักใจกับข้าพเจ้าพวกเราให้คิดอย่างนั้นไว้อยู่เสมอเออพอไปอยู่ที่ใดก็ทําตนให้เป็นคนดีนี่แหละถ้าว่าทําตนให้ไม่เป็นคนดีแล้วก็อย่างที่ว่านะั่นถึงเฉพาะอินจะมาช่วยพระบิดาตัวเองมาช่วย ก็ช่วยไม่ได้พรช่วยคนชั่วอช่วยคนชัว่วช่วยคนให้ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วคนขาดสติแล้วพวกคนเมาคนขาดสติคือคนเมาจะเลี้ยงยังไงจะดูแลยังไงไม่ได้อย่างโพยนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่ได้ยินทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการแนะนําสั่งสอนสรุปแล้วก็คืออยากจะให้พวกลูกหลานพวกเราเป็นคนดี ของชุมชนและสังคมไม่ให้เป็นคนเลว เ, เลวมันไม่ดีเป็นคนดีคนดีนั้นจะทำยังไงก็ตรวจตราดูตนเองสิ่งไหนที่ชุมชนและสังคมเขาตาหนิเราจะไม่ทำสิ่งนั้นเรื่องสุราเนี่ยควรจะยกเว้นสำหรับเป็นหมอหมอดื่มสุรานี่เสียทั้งหมด เ, เสียหายทั้งหมดเพราะนั้น เวลาเราจะดื่มให้ระลึกถึงหลวงพ่อเอาไว้นะหลวงพ่ออินสอนคํานี้เป็นคําที่หลวงพ่อเน้นหนักที่สุดเออถ้าเร า, เราดื่มสุลาเออเราดื่มหน่อยเดียวไปเป็นไรแลสสังสรร์พลที่สุดความสังสรร์นหน่อยเดียวนั่นนะไม่มีใครจะกําหนดว่ามากน้อยแข่งไหนพอดื่มเข้าไปแล้วคนน่าเกิดกึกหนึ่งสองกึกเอาไปมาแก้วหนึ่งสองแก้วพลที่สุดกว่าจะรู้ได้มากหมายถึงขนาดไหน สามารถที่จะพูดอะไรความลับต่างๆก็เปิดเผยออกมาหมดเพราะคนเมาขาดสติเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากฝากไว้กับพระนิสิตนักศึกษาที่เป็นจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าเพราะนั้นให้ลูกหลานฟังไวนะ้น่ะฟังไว้ที่หลวงพ่อสั่งเนี่ยหลวงพ่อพูดเนี่ยให้พวกเราสังเกตดูที่ผ่านๆมาจริงไหมนะ่ะ ใ, ให้พวกเราสังเกตนะ พร้อมกันก็ให้พวกเราให้คิดไปอยู่เสมอว่าชีวิตของพวกเรานั้นจะไม่ให้พลังเผอลอหรือผิดพลาดให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีให้ประกอบในคุณงามความดีเหมือนกับเราไต่ลวดเส้นเดียวหรือใช้เชือกเส้นเดียวไต่อย่างนั้นคือพยายามให้เดินแนว เดินแนวตามที่ขีดเส้นเอาไว้เช่นชีวิตของเราเราจะเดินยังไงถ้าว่าเราเดินสเปะสปะอะไรก็ได้นั่นละชีวิตของเราจะหาความราบรื่นได้ยากแต่ถ้าว่าเรามีความมุ่งมัน่นมีความพยายามมีความตั้งใจข้าพเจ้าจะเป็นคนดีคนหนึ่งจะเป็นหมอที่ดีคนหนึ่งจะเป็นผู้มีความรับผิดชอบคนหนึ่งเพราะว่าการรับผิดชอบนี่ เป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับหมอเพราะการผิดพลาดลงไปแล้วทำให้ชีวิตของเขาขาดหรือตายลงไปเราจะตำหนิตัวเองนานเท่า น, านั้นแต่หากเราทำจนเคยชินเราไม่ได้รับผิดชอบถ้าเขาตายไปบาปกรรมตัวนั้นจะต้องตามมาถึงเราเออบาปอากุศลตัวนั้นจะตามมาถึงเราเราจะทำสิ่งใดก็าตาม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 คนก็คือเขาเสียสละเงินคำทรัพย์สมบัติให้แก่เราที่เป็นข้าหมอที่เขาให้มาอันนี้ก็ให้พวกลูกหลานทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายให้คิดไปอยู่เสมอแลพร้อม ก, กันก็ชีวิตของพวกเราจะยืนนานสักเท่าไหร่อันนี้ก็าให้คิดไปอีกถึงจะมั่งมีสีสุขร่ำรวยขนาดไหนก็เถอะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น อาจารยาจารย์หวกนายแพทย์ต่างๆที่เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราตั้งแต่ตั้งเมืองไทยมาเป็นยังไงรุ่งโรยไปเรื่อยๆตา ม, มาอายุสังขารเพราะนั้นพวกเราให้ปฏิบัติตนปฏิบัติตนให้เป็นคนดีแล้วก็ให้ระลึกถึงพระคุณประเทศชาติบ้านเมืองชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่คุ้มครองพวกเรา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 ยกเป็นนิทานหรือเป็นชาดกขึ้นมาคือหลานอนาถาบิดีกเกษตีตลอดถึงพระพุทธองค์ในยกนิทานชาดกขึ้นมาสมัยท่านเป็นเศรษฐีมีลูกแล้วก็ทำตนไม่ดีถึงจะให้ม่อสารพัดนึกก็ออยังรักษาไม่อยู่แล้วก็พร้อมกันก็ได้พูดเกี่ยวกับทำตนให้เป็นคนดีอย่าให้ นักกหนักใจไปอยู่นัาสถานที่ใดให้เป็นคนดีทำคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนสังคมต่อประเทศชาติและก็พร้อมกันให้สำนึกไปอยู่เสมอว่าชีวิตของพวกเราถึงจะมีความสุขขนาดไหนก็เถอะพ่อแม่ครูบาอาจารย์าศาสตราจารย์ที่สอนสั่งสอนพวกเรามาก็ลังไหลล้มหายตายจากไปเรื่อยๆพวกเราเกินไปที่หลังก็คงจะลักษณะอย่างนั้น